พร้อมทั้งสหายอีกห้าได้ให้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์หลังจากออกพรรษาพระองค์ก็โปรดพระพัทวัคคีอีก30โปรดชดินสามพี่น้องนะที่ตำบลขยาศีสะนะขยาศีสะซึ่งก็ห่างจากพุทธขยาขออภัยห่างจากพารณสีมาที่ขยาศีสะเนี่ยกว่ากิโลพระองค์ก็เสด็จย้อนกลับมาทางเคว้นมคตอีกเนี่ยนะเรียกว่าพระองค์จากแคว้นกาสี เมืองพราราณสีในะนี่เขาแควนกาสีเสด็จมาที่แคว้นมคธเนี่ยนะมาที่แควนมคธสงเคราะห์เฉเดนสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารให้ตรัสรู้ น, นะอริยสัตว์บรรลุเป็นพระอรหรันต์หลังจากนั้นพระองค์ก็พาพระพิสุเฉเดนสามพี่น้องเนี่ยนะพร้อมทางบริวารหนึ่พันไปสู่เมืองราชครื้โปรดพระเจ้าพิมพิสามพร้อมกับประชาชนชาวอังคะกับชาวมคธ ให้มีการตรัสรู้ธรรมก็มีการสงเคระาะห์ภาษาเรีุบพรพภาษาเรียบตรก็ได้บวชบรรลุธรรมที่เมืองราชครึกนั่นเองวันเวลาผ่านไปพระเจ้าสุดโทธนะเนรลึกถึงลูกอยู่เสมอตั้งแต่ลูกออกบวชวันเวลาผ่านไปเจ็ดปีลูกก็ไม่ไม่กลับแต่ก็ได้รับข่าวคราวมาเรื่อยๆซึ่งตัวเองก็คิดว่าอายุมากแล้ว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 ช่วงนั้นอากาศจะร้อนข้างโดยทั่วไปก็จริงแต่ว่าต้นไม้ทั้งหลายให้ร่มให้เงาหมดแล้วก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมกับบริวาร น, นะพร้อมกับพระพิสุสง์ให้ไปโปรดพระญาติซึ่งพระองค์ก็รับนี่นะพระองค์ก็เสด็จพร้อมกับกุลบุตรเสด็จพร้อมกับพารหัรสองหมื0นรูปไปสองหมืนรูปนั้นก็คือใครบ้างสองหมืนรูปมี พระพิสุชาวอังคะชาวมคตหมื0นรูปแล้วก็พระพิสุชาวกบิลพัทเนี่ยนะอีกหนึ่งหมืนรูปปรงก็เสด็จเดินทางโดยลำดับใช้เวลาประมาณสองเดือนก็คือสองเดือนเพราะทางหกสิบโยน์เดินทางวัลยโยน์วัลยโย์จนถึงเมืองกบิลพัทพระญาติทั้งหลายก็ต้อนรับะนะด้วยจัดสถานที่ที่นิโครวัดนิโครธาราม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 เพราะว่าพระองค์เป็นผู้สูงสุดในหมดหมู่นรชนพระองค์ไม่สามารถจะไหว้ผู้ใดได้ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยนะไหว้ผู้ใดไม่ได้ถ้ากราบไหว้ผู้ใดยกมือปนมอัญชลีนอบน้อมผู้ใดผู้นั้นเนี่ยศีรษะแตกเจเสี่ยงอย่าว่าพระพุทธเจ้าเลยพระมหากัสปะเนี่ยถ้าท่านไหว้ทะเลทะเลจะแห้งท่านมีคุณธรรมขนาดนั้นั้นท่านไหว้ถ้าปกติแล้วท่านจะไหว้ใครไม่ได้เลยนอกจากไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง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 แต่ว่าพระญาตเหล่านั้นไม่รู้รอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นใดมีพระฤทธเช่นใดมีกําลังปัญญาอย่างใดพระองค์ก็เพื่อจะขจัดมานะของพระญาตทั้งหลา ย, ยานะก็แสดงปาฏิหารโดยการเนรมิต ร, รัตนจงกรมขึ้นเนรมิต ร, รัตนจงกรมแสดงยะมะกะปาฏิหารเพื่อสงเคราะห์พระประยุรยา่าทั้งหลายซึ่งตอนที่พระองค์แสดงยะมะกะปาฏิหารจงกรมอยู่บนรัตนจงกรมนั้นมีหมู่ เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มานอบน้อมนมัส ก, การพระพุทธเจ้าณสมัยนั้นพระสารีบุตรท่านอยู่กับพระพิสุปประมาณ500รูปที่กรุงราชคจริคือที่ภูเขาคิชกูดเนี่ยนะใกล้ใกล้กรุงราชคจริคพระสารีบุตรนั้นมองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะเห็นพระพุทธเจ้า กำลังเดินจงกรมอยู่บนรัตนจงกรมแสดงย่ามกะปาฏิหาริย์แสดงพระธรรมเทศนาภาษาลิบุตรมองเห็นเหมือนกับมองเห็นพระจันทร์ในวันเพ็ญ น, นที่ลอยเด่นมองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ฉะนั้นก็เลยชักชวนพระภิสุบริวารที่เป็นผ้าอรหันต์ทั้งห้าร้อยรูปเหาะไปกราบแทบพระบาทของพระผู้มีพระพ่ อ, อพระภาคเจ้านท้องฟ้าเนี่ยนะนี่พอไปถึง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 หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าติดตามไปแล้วก็ไม่รู้เลยเนี่ยใครก็ทรงความคิดติดตามสิ่งเหล่านั้นน่ะคิดยังไงก็ไม่มีจบมีสิ้นเรียกว่าอสงไข่อสงขยังขยโดยศัพแปล ว, ว่านับไม่ได้สิ่งที่นับไม่ได้คิดยังไงก็คิดไม่จบไม่สิ้นมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งมูสัตสองอากาศสามจักรวาลสี่พระพุทธยานนะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่มีประมาณ เพราะว่าใครอยากจะนับหมู่สัตว์ว่าเออมีกี่ตัวนะในโลกนี้มีมดกี่ตัวมีแมลงกี่ตัวเนี่ยนะมีนับไล่ต่างเด็ดสัตว์ในน้ํามีกี่ตัวสัตว์บนบกมีกี่ตัวแมลงแมลงมีปีกมีกี่ตัวเป็นต้นไล่ไปค่ะแล้วก็ไล่ทุกๆจักรวาลนะนับต่างเด็สัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมอสัญญาสัตตาพรหมและอรูปพรหมในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้ไม่มีผู้ใดสามารถนับจํานวนสัตว์ได้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 เพราะฉะนั้นผู้ที่ยึดติดในขันนี่จึงมากมมยเหลือเกินหาที่สุดไม่ได้นี่ข้อแรกก็สองอากาศอากาศนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดขนาดอะไรนะสมัยใหม่เขาสามารถคานวณถึงแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างเช่นว่าแสงดวงนั้นเนี่ยห่างจากโลกกี่พันล้านปีแสงเขาคำนวณได้แต่ขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ว่ามันจบสิ้นแล้วนะจักรวาลเนี่ยพราน จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลมีเท่าใดอากาศก็กว้างขวางกว่าจักรวาล น, นั้นอากาศก็ไม่มีผู้ใดไปท่องเที่ยวไปจนหมดจนสิ้นแล้วก็พระพุทธยาณเนี่ยนะพุทธญานนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นนั้นอาสงไขสิ่งที่นับไม่ได้4ประการเหล่านี้ใครๆก็ไม่อาจรู้ได้คําว่าไม่รู้ได้นี่ก็คือไม่รู้ทั้งหมดสิ้นเชิงได้เบ็ดสเสร็จเบ็ดเสร็จครบถ้วนแต่รู้ได้บาง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 กล่าวว่าการทำฤตต่างๆของเราเนี่ยนะจะอัศจรรย์อะไรในโลกฤตที่พระองค์แสดงเนี่ยนะตอนที่พระองค์แสดงยงมกะป บ, บาติหารเพื่ อ, อลดมาณะของพระปยุรยาทั้งหลายกำจัดความไม่มีศรัทธาเป็นต้นทำให้บุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเนี่ยการทำฤต อั น, นอิธิปาติหารอาเทศนาปาติหารอนุสาสนีปาติหารจะน่าอัศจรรย์อะไรในความคิดของพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าอัศจรรย์แท้ๆสำหรับพระองค์ความอัศจรรย์อื่นๆที่ไม่เคยมีเนี่ยนะหน้าขนลุกขนชันยังมีอีกมากยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆว่าในกาละใดเรามีเชื่อว่าเท้าสันดุสิตในหมู่เทพชันดุสิต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 ส่วนรายละเอียดจะกล่าวอีกครั้งนึงอันนี้เป็นข้อความที่เป็นบาลีเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสเล่าต่อไปอีกว่ากาละใดเราจุต um ิจากมูเทพชันดุสิตก้าวลงในพระคันการนั้นพระธรณีในหมื่นโล ก, กธาตุก็หวั่นไหว แ, แผ่นดินไหวหมื่นโล ก, กธาตุเนี่ยนะไม่ใช่ไหวสามที่เดียวคาว่าแผ่นดินไหวในที่นี้ไม่ใช่ไหวแบบตึกถลม่มฟ้าทลายเสียหายยับเยินไม่ใช่แบบนั้น หมายคําว่าแผ่นดินโศมณัต ด, ดีใจปราบเลื่มใจเหมือนกับแผ่นดินร่ายรำเขาว่างั้นร่ายระบําดีใจมากคนเขาบอกว่าดีใจอย่างอันดัระดับหนึ่งเนี่ยนะคนบางกลุ่มถ้าดีใจจะต้องเป็นร้องรําทันทีเลยฉั้นใดแผ่นดินก็เหมือนกันฉันนั้นในการลใดเรามีสติสัมชัญญะออกจากพระคัน์ของพระมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายก็ให้สาธุการหมื่นโลกธาตุก็วันไว ท่านที่สวนลุมพินีวันก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งการแผ่นดินไววเป็นเป็นต้นตำรับให้แผ่นดินไว้อีกสถานที่หนึ่งเหมือนกันพระองค์ก็บอกว่าไม่มีผู้เสมอเราในการก้าวลงสู่พระคันนะไม่มีผู้ใดเสมอเราในการออกจากพระคันเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในการตรัสรู้คือไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าในการตรัสรู้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 โอ้ความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณมากนะพระพุทธคุณของพระองค์เนี่ยมีมากทั้งอะไรนะตัวในครั้งว่าพระพุทธคุณทั้งหลายมีมากเช่นพระปุพพเจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณทั้งหลายและพระพุทธกิจที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมีมากเหลือเกินน่าอัศจรรย์ในโลกหมินโลกธาตุก็หวั่นไหวโดยอาการหเนี่ยนะแสงสว่างก็เกิดขึ้นน่าอัศจรรย์น่าขนลุกขนชัน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 พระินเจ้าเมื่อทรงแสดงโลกพร้อมทั้งเทวโลกสเสด็จจงกรมด้วยพระวะรรธน์พระผู้นำโลกสเสด็จจงกรมพลางตรัดธรรมกถาไปพลางจะไม่สเสด็จกลับในระหว่างเหมือนที่จงกรมระยะสี่ศอกไม่ใช่เดินกลับไปกลับมา 3. สี่ศอกก็เดินประมาณ8ก้าเออสศอกก็เดินประมาณ 4, ี่เก้าเดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะสักสิบนาทีก็เมาหัวล้มแล้วล่ะ แต่ว่าพูดถึงว่าพระองค์จะไม่เดินที่จงกรมแคบๆแบบนั้นเดินจงกรมยาวแค่ไหนหมื่นจั ก, กรวาลเนี่ยนะเดินจงกรมเนี่ยหมื่นจั ก, กรวาลเดินกลับไปกลับมาแต่ว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตย น, นะไม่ใช่วิสัยเขาบอกว่าตัวรินตัวไรเนี่ยรู้วิสัยของพระยาอินทร์ไหมมันบินขนาดไหนบอกไม่ใช่วิสัยเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะวิสัยสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์แสงหิง่งห้อยทั้งหลายไม่รู้รองวิสัยของดวงอาทิตย์เป็นเช่นใดมัน มันเราก็หลายๆเรื่องการศึกษาพระพุทธคุณทั้งหลายให้รู้เธอว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตยฟังเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาแต่ถ้าเราปรารถนาจะรู้อย่างครบถ้วนกระบวนความผู้นั้นก็จะต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันน่ะจึงจะรอบรู้ทุกประการน่ะนะ อันไรหลายอย่างก็เพื่อเสริมสัตทินรีแต่อย่าลืมอินรีในพระศาสนานี้พระองค์สอนให้เจริญอินรีห้าประการเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะว่าอินรีทั้งห้าประการที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างลงสู่อมะตะเป็นที่สุดมีอมะตะเป็นที่สุดเนี่ยนะดูข้อความในอัตถกถากร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 ประเสริฐกว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นผู้ฉลาดในข้ออุปมาทุกอย่างพระองค์เนี่ยเปรียบเทียบได้หมดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าวิญยูชนในโลกนี้จะพึงรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเนี่ยนะไล้ไลยอย่างโดยมากอุปมาได้หมดเว้นแต่มีอยู่คํานึงที่บอกว่าไม่ไม่ใช่ข้อไม่มีข้ออุปมาคือพระนิพพานเพียงแต่เล่าเพราะพระนิพพานไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบอย่างมากก็เล่ า, เ ล, าเล่าอะไรเรื่องอื่นประกอบเท่านั้นเองแต่ว่า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 พระองค์ก็ทรงตัดความสงสัยของสัตว์ทั้งปวงได้บัดนี้เมื่อจะแสดงพระคุณทั้งหลายของพระองค์ที่ตรัสแล้วจึงตรัสว่าเบื้องต้นและเบื้องปลายของอสงไข่เหล่าใดอันใครใครู้ไม่ได้อสงไขยเหล่านั้นมีสอย่างคือหนึ่งสัตว์นิกายแปลว่าหมูสัตว์สองอากาศสามจักรวาลที่ไม่มีที่สุดสี่พระพุทธญานที่ไม่มีใครสามารถจะนับได้อสงไขยสี่ประการเหล่านี้ ใครๆไม่อาจจะรู้ได้หนังสือแปลผิดนิดหน่อยอธิบายเพิ่มเติมว่าจัตตาร و, เป็นคำกำหนดจำนวนนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ความที่จะพึงตรัสในบนัรนี้ด้วยบทว่าเอเตอะสังเยาได้แก่เชื่อว่าอาสงขัยเพราะใครๆไม่อาจนับได้อธิบายว่าเกินที่จะนับนะโกติ โกดเนี่ยนะโดยโกดแปลว่าขอบเขตเบื้องต้นหรือเบื้องปลายเหมือเยสังก็ได้แก่ของอสงไขสีเป็นต้นอธิบายว่าในสี่ประการที่เรียกว่ามีเบื้องปล้นเอ่อเบื้องต้นเบื้องปลายที่ใครๆคปะไม่สามารถจะนับได้เนี่ยนะต้นต่างกันเมื่อไรปลายอยู่ที่ไหนสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งสัตตะนิ迦โย ο. มูสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีปริมาณ นับไม่ได้นะทั่วในครั้งหนึ่งว่าใครไปนับสัตว์ในน้าได้บ้าง น, นะนับสัตว์ที่มุดอยู่ใต้ดินเนี่ยก็นับยากที่โผล่ขึ้นมาบนดินนี่ก็นับยากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่มีจักรวาลเดียวเพราะหมู่สัตว์จึงไม่มีที่สุดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอากาศก็อย่างนั้นที่สุดของอากาศก็ไม่มีเพราะะนนั้ไม่มีผู้ใดจะท่องเที่ยวไปให้มันสดอากาศ น, นะไม่มีที่สามจักรวาลก็เหมือนกันไม่มีที่สุดใน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 ส่วนใดที่จะทำเพื่อการสงเคราะห์ญาติสิ่งเหล่านั้นก็ทำแล้วโลกตจริยาสิ่งใดที่จะเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดท e, ี่เร <le> ียกว่าจะเป็นข้อปฏิบัติเกื้อก <ims taką, S 2> ูลต <sig> ่อการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บำเพ็ญแล้วเรียกว่าพุทธะจริยาหรือว่าพุทธจริยาข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้า พรองได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเป็นพระเวสสันดรได้ถวายสัตตะสัตตกะมหาทานสัตตะสัตตกะมหาทานก็เคือเรียกว่าให้ของเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ร้อยนี่นะให้ของเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ดร้อยทำแผ่นดินให้วันไหวถึงเจ็ดครั้งในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเจ็ครั้งมีตอนไหนม้างตอนที่อายุแปดขวบปรารบสละร่างกายและชีวิตเป็นต้นให้ เป็นทานตอน8ดขวบแล้วก็ตอนที่บริจาคช้างให้ช้างเป็นทานแผ่น e ดินก็หวั่นไหวตอนที่บริจาคสัตว์กะมหาทานแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์เนี่ยไปอยู่ที่เขาวงกฏบริจาคกันหาชาลีแผ่น e ดินก็หวั่นไหวบริจาคพระนางมัสซีแผ่น e ดินก็หวั่นไหวขณะที่พระญาติมารวมกันแผ่น e ดินก็หวั่นไหวกลับไปสู่เมืองอีกไปถึงเมืองแผ่น e ดินก็หวั่นไหวเกิดแ e ผ่นดินไหวอยู่เจ็ ครั้งเนี่ยนะ